ใสมาก่อนหมอเตียงมาส่งกันบ้านเห็นอะไรนะดีแล้วการปฏิบัติเราไม่ทิ้งการทำในรูปแบบนรอ ก็ อ, อาศัยการปฏิบัติในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเครื่องช่วยเป็นวิหาราธรรมมีอยู่เจริญสติตรงๆนะแต่ว่าทําไม่ค่อยได้จริงเท่าไหร่ไม่มีแรงพอก็พอดีไปหลายๆครั้งจะเห็นว่าใจมันไปเวลาที่จะไปตามรู้เนี่ยมันจะมีบางตัวที่วิ่งไปวิ่งจะไปตามรู้ครับก็จะเห็นไอ้ตัวตรงนี้ก่อพอเห็นเพื <S <S <an> ่อมันก็หยุดอยู่ที่จะตามรู้ของมันเอง จะไปบังคับมันนะคือพอสติมันเกิดมากขึ้นมากขึ้ น, นเห็นสภาวะละเอียดเขไปเรื่อยๆแต่ความจริงสภาวะที่หยาบหรือละเอียดก็เท่าเทียมกันสภาวะภายในภายนอกหยาบละเอียดสุขทุกขุสุนตุสุนตุในขั้นที่เราเจริญวิปัสสนาแล้วเนี่ยเท่าเทียมกั น, กนคือทั้งหมดแสดงไตรลักษณ์ให้ดูการปฏิบัติจริงๆก็เพื่อจะได้เห็นความจริง ปฏิบัติเนี่ยไม่ได้เอาความสาุขไม่ได้เอาความสบายไม่ได้เอาอุสนไม่ได้เอาความสงบแต่เราปฏิบัติจนใจมันเห็นความจริงของกายของใจเห็นความจริงของกายของใจว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราแล้วมันวางเมือมันวางเนี่ยเราจะเข้าถึงความสุขความสงบอีกชนิดหนึ่ ง, งไม่ใช่ความสุขความสงบของขันนะ จะเป็นความสุขความสงบจากขันจิตพ้นจากขันนะมันเข้าถึงความสุขความสงบที่แท้จริงส่วนความสุขความสงบของขันเป็นของชั่วคราวนี้พอเรารักความสงบสุขความสงบของขันเนะีใกล้ๆเราอยากได้เหมืองทองนะไปแค่เจอเยา ว, วราชล้วก็ไปไหนไม่รอดแล้วรู้สึกทองเยอะเพางนกายกับใจนี้ไม่ได้เรียนให้เอาสุขเอาสงบ ไม่แนว ด, ดีรู้เรื่อยๆ ร, รู้บ่อยๆจะเห็นเลยสภาวะทั้งหมดสแสดงใจรักได้แใจรู้แจ้งใจจะวางกัอนจะวางบางคนก็เบื่อแต่เบื่อของนิพพิทานั้นไม่ใช่เบื่ออย่างโรคๆนะไม่ใช่ว่าไปเข้าธรรมทานสองวันสามวันเหนื่อยอยากกลับบ้านเป็นนิพพิทาไม่ใช่นะไออย่างนี้นคนติดคุกก็มีนิพพิทาญาณหมดทุกคนอยากกลับบ้าน นิพิทาญานเนี่ยมันเป็ปัญญาพิทาญาณนี่เป็นชื่อของปัญญาทั้งหมดมันเป็นเห็นเลยความสุขก็น้าเบื่อความสุขก็หน้าเบือ่ออยาบก็หน้าเบือกกเบ่อละเอียดก็หน้าเบือ่อทําไมถึงหน้าเบือ่อเพราะมันไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงนชั่วก็ไม่เที่ยงมีแต่ความไม่เที่ยงมันเบื่อรู้สึกไร้สาระทั้งหมดเลยใจมันจืดเรียว่าเป็นคนใจจืด แต่ใจไม่ดำใจสว่างไม่ใช่ใจจืดใจดำใจจืดสนิทเลยใจมันจืดใจมันไม่หิวไม่ดิ้นรนไม่ใช่อยากดิ้นรนอยากกลับบ้านอยากหนีกลับบ้านไม่ใช่อยู่ตรงไหนก็เป็นกลางเท่าๆกันพอใจมันไม่ดิ้นรนนะสติปัญญายแก่รอบขึ้นมาเห็นเลยทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับเห็นอยู่เท่านี้นะไม่ไปสำคัญมั่นหมายอะไรเลย จากนั้นอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นจิตจะรวมเข้าอปนาสมาธิแล้วก็ตัดมีกระบวนการตัดไม่ใช่นึกๆเอาเองว่าตัดแล้วในบ้านในเมืองเราเต็มไปด้วยราอริยะนะอริยะแยะมากเลยนะนึกนึกเอานะนึกว่าตัดแล้วตัดแล้วตัดแล้วคนขาดสติวูบลงไปเป็นซาอาริยะบรรลุมผัมผลมัพลอะไรขาดสติ ในขณะที่เกิดอริยมรรคมีจิตมีเจตสิกฝ่ายดีทั้งสามสิบปัจตัวไม่ใช่ขาดจิตขาดเจตสิกหมดความรู้สึกนั้นมันพลมกลุกปักแล้วเป็นธรรมาที่พระเจ้าสอนถ้าเราศึกษาจนเราเข้าใจแล้วเราจะพบว่าปฏิบัติไม่ยากอะไรการปฏิบัติง่ายถ้ารู้สึกว่าฝืนมากเลยฝืนมากเลยเหนื่อยยากลาบากมากเลยทบทวนนิดหนึ่งนะ ทำอะไรอยู่ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆไหมก่อนที่ท่านจัดสรุ้ค้นพบทางที่ราบรื่นใสนี้ท่านลำบากมาเยอะแล้วบางองค์อย่างพระพุทธเจ้าของเราปัญญามากมันเป็นสั้นหน่อยเสียสงไขยแสนมหากัปสงไขยหนึ่งก็สิบยกกำลังร้อยห้าสิบประมาณนั้นสงไขยส่วนกับหนึ่งก็คือจักรวาลเกิดแล้วก็แตกทาลายไปทีหนึง่ง ท่านลำบากมากเพื่อค้นหาเส้นทางเส้นนี้เป็นเส้นทางที่ไม่มีคนนึกถึงคนทั้งหลายปรารถนาความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์เหมือนกันหมดสัตว์มันก็ปรารถนาอย่างเดียวกันนี้แต่ภูมิปัญญา ม, มาไม่ถึงวิธีหาความสุขวิธีหาความสงบความสบายของสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะฉลาดป่าเถื่อนแค่ไหนนะั้นหนีไม่พ้นความปรุงแต่งสามแบบ ปรุงฝ่ายชั่วปรุงฝ่ายดีแล้วก็ปรุงอเนนชาที่สังขาหรหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์เป็นวิธีหาความสุขสามแบบปรุงฝ่ายชั่วก็คือเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราได้รับอารมณ์ที่เพลิดเพลิน พ, พอใจเราจะมีความสุขถ้าเจออารมณ์ที่ไม่ดีเราถึงจะทุกข์เราจะดิ้นรนหาอารมณ์ที่เพลิดเพลิน พ, พ, พอใจเป็น ห, หารูปสวยๆมาดูแล้วมีความสุข มีกลิ่นหอมๆแล้วมีความสุขมีรสอร่อยแล้วมีความสุขมีสัมผัสดีๆมีความสุขคิดเรื่องสนุกสนานแล้วมีความสุข ก, การเที่ยวแสวงหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจนี่วิ่งไปด้วยตัณหาตัณหามันปลักมันอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอยากได้ความรู้สึกที่ดีๆอันนี้หลยเรียกว่าการมาสุขลิิกานุโยควิ่งหากิเลสวิ่งหากาม ยิหาความสนุกความสบายมีชื่ อ, อชื่อหนึ่งว่าอาปุญญาที่สังขารความปรุงแต่งฝ่ายชั่วเพราะเรากําลังทําตามกิเลสสัตว์โลกทั้งหลายกับคนทั้งหลายส่วนใหญ่จะหาความสุขด้วยวิธีนี้อย่างแมวมันหิวขึ้นมามันไปจับนกกินได้กินนกแล้วก็มีความสุขหนุ่มๆไปหลอกสาวได้แล้วมีความสุขรุ้มใจแล้วไปฟังเพลงแล้วมีความสุข นี่เป็นวิธีหาความสุขอย่างพื้นๆอย่างโลกๆเลยไม่อัศจรรย์อะไรเมื่อมันหาความสุขได้ด้วยการดูด้วยการฟังนะความทุกข์มันก็เข้ามาได้ด้วยการดูด้วยการฟังเพราะเมื่อมันมีตามันก็เห็นรูปที่ดีบ้างที่เลวบ้างมีหูมันก็ได้ยินเสียงที่ดีบ้างที่เลวบ้างได้ยินคําชมได้ก็ได้ยินคําด่าได้เพรนั้นพวกที่ฉลาดขึ้นก็ยังเห็นว่าโอ้ได้รับคําชมได้รับคําด่าคืออารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเอาแน่เอานอนไม่ได้ ถ้าเราสามารถฝึกจิตฝึกใจของตัวเองให้เที่ยงได้จะดีกว่าคนชมก็เฉยคนด่าก็เฉยนี่น่าจะมีความสุขนี่แหละคือพวกนักปฏิบัติละ่ะพยายามฝึกบังคับกายบังคับใจตัวเองควบคุมกายควบคุมใจทันทีที่คิดถึงการปฏิบัติเราจะเริ่มทําที่สิ่งสิ่งที่ผิดธรรมดาละทันทีที่คิดถึงการปฏิบัติจะเริ่มทำํำขรึมขรึมทาวางฟอร์มให้ดูเป็นนักปฏิบัติ จริงนักปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่เปลือกแค่นั้นอยู่ที่คุณภาพของจิตใจที่จะไปทำกรรมฐานะฮะไม่ใช่เดินสวยนั่งสวยหายใจมีจังหวะจะโผล่แล้วเรียกว่าปฏิบัติไม่ใช่หรอกนะคือการบังคับกายบังคับใจให้ลาบากสังเกต ด, ดูเถอะทันทีที่เราคิดถึงการปฏิบัติสิ่งที่เราทำไม่มีอะไรเกินกว่าการบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจดัดแปลงกายดัดแปลงใจมีเท่านี้เอง แล้วเรื่องนี้ท่านรู้กันมาตั้งเป็นพันพันปีแล้วในคมภีร์ของเรามีทั้งหมดเนี่ยท่านบอกว่าความปรุงแต่งฝ่ายดีที่พวกเราพยายามปรุงกันนักปฏิบัติอยากปรุงแต่งฝ่ายดีกันพยายามทําศีลทําสมาธิทาปัญญาอะไรต่ออะไรกันขึ้นมาแท้จริงแล้วก็คืออัตตะกิลมัฐานุโยคนัหนึ่งปุญญาพิสังขารฟังแล้วดีนะมีอีกชื่อหนึ่งว่าอัตตะกิลมัฐานุโยคคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามนั่นแหละ ทำไมท่านห้ามเพราะว่าปุญญาที่สังขารความปรุงแต่งฝ่ายดีรากเาน่าของมันก็คืออวิชาเช่นเดียวกับความปรุงแต่งฝ่ายชั่วนั่นเองลึกลงไปถึงที่สุดมันก็คือความรักตัวเองเราเห็นว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราเราอยากให้กายนี้ใจนี้มีความสุขเราก็พยายามปรุงแต่งขึ้นมาคนโง่ก็ปรุงแต่งอย่างฝ่ายชั่วคนฉลาดคนดีก็ปรุงแต่งฝ่ายดีพวกเข้าวัดก็ปรุงแต่งฝ่ายดี บังคับกายบังคับใจสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือวิมุตต์ไหมไม่เกิดหรอกเรากําลังตอบสนองอวิชชาอยู่ตอบสนองความรักตัวเองรู้ไม่ทันมันอุตสาห์ปรุงแต่งฝ่ายดีเหนื่อยแทบตายเลยนะบางคนเหนื่อยมากลุงไปหวังว่ามันจะดีหวังว่ามันจะสุขก็ดีชั่วชั่วกราวๆนะสุกชั่วคราวดีชั่วกราวเดี๋ยวก็เสื่อม แน่นความปรุงแต่งฝ่ายดีไม่ได้ช่วยให้ใครบรรลุมรรคผลนิพพานแต่ช่วยให้เป็นคนดีช่วยให้เป็นเทวดาช่วยให้เป็นลมเป็นลมลูกฟักก็ได้นะปรุงแต่งเก่งๆบางคนจิต ด, ดับไปเลยเหลือแต่ร่างกายอีกพวกหนึ่งนะเห็นว่าลําพังยังคอยควบคุมกายควบคุ ม, คมใจนะเวลากระทบอารมณ์แล้วต้องคอยควบคุมกายควบคุมใจไม่ให้กระเถือนเนื้อไม่ให้หวั่นไหวยินดียินร้ายยังเป็นภาระสู้หลีกเลี่ยงการกระทบเสเลอยไม่ได้ พวกนี้ก็ฝึกที่จะหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์เพื่อให้ตัวเรามีความสุขตอบสนองอวิชชาเหมือนกันเพื่อให้ตัวเรามีความสุขพวกนี้เรียกว่าการปรุงแต่งแบบอาเนนชาที่สังขารจะฝึกเพ่งรูปเพ่งรูปมากๆเข้านะได้เป็นปรลมลูกฟักไม่มีความรู้สึกอะไรไม่รู้สึกอะไรละใครชมใครด่าอะไรไม่รู้สึกทั้งสิน้นไม่มีความทุกข์รู้สึกเหมือนนิพพานอีกพวกหนึ่งฝึกเข้าอารูปเพ่งอรูปเพ่งนามธรรม จนกทั่งตัด ก, การรับรู้อารมณ์ภายนอกเหลือแต่อารมณ์ภายในของตัวคนเดียวรู้สึกไม่มีอะไรมากระทบใจก็ไม่กระเทือนมีแต่ความสุขอยู่ภายในนี่เป็นวิธีหนีโลก น, นั่นเองวิธีหนีโลกสองอย่างเพ่งรูปเพ่งนามหนีโลกไปทั้งหมดนี้ปรุงแต่งเพื่อตอบสนองความเป็นตัวเราจิตมันเป็นเราถึงต้องปรุงแต่งสามแบบนี้เพื่อให้เรามีความสุข น่าสัศจรรย์พระพุทธเจ้าคนพบเส้นทางอีกเส้นหนึ่งแทนที่จะมานั่งกรุงแต่งเพื่อให้ตัวเรามีความสุขท่านห้าวหาญกล้าหาญย้อนมาดูสิ่งที่เรียกว่าตัวเราย้อนมาดูสิ่งที่เรียกว่าตัวเราตัวเราก็คือกายกใจหรือขันธ์้านนั่นเองท่านให้รู้ทุกให้รู้กายรู้ใจทุกอยู่ที่กายรู้ลงที่กายทุกอยู่ที่ใจรู้ลงที่ใจเรียนรู้กายรู้ใจมากๆ พอรู้ความจริงว่ากายกระใจไม่ใช่ตัวเราหรอกกายกระใจเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นปรูปธรรมเป็นนามรธรรมเป็นสมบัติของโลกไม่ใช่ตัวเราพอรู้แจ้งว่ากายกระใจไม่ใช่เราเนี่นะเรียกว่าพระโสดาบันนะฝึกมากเข้ามากเข้าเห็นกายนี้ใจนี้มีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความเป็นทุกข์มีแต่การบังคับไม่ได้ มันจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจผู้ที่ปล่อยวางความยึดถือกาใจได้เขาสมมุติเรียกว่าพระอาหารหันต์เราฟังไว้ผู้เจ้าสอนบอกว่าถ้าใครประกาศนะฟังหูไว้หูไม่คัดค้านไม่สนับสนุนค่อยๆดูไปค่อยๆทดสอบท่านบอกวิธีทดสอบไปด้วยซ้ําไปคือไม่ใช่ปฏิเสธนะก็ไม่ใช่เชื่อเพราะว่าที่แสดงออกมาจะจริงกับเท็จก็มีทั้งนั้นแหละ เ้ระมัดระวังอย่ามองคนตื่นข่าวนะค่อยๆดูนะดูลงที่กายดูลงที่ใจเพราะงั้นการปฏิบัติไม่มีอะไรค่อยรู้กายค่อยรู้ใจมากๆการรู้กายรู้ใจนี่แหละเ ร, เรียกว่ารู้ทุกข์แล้พระพุทธเจ้านิยามคําว่าทุกข์เอาไว้เรียบร้อยแล้วทุกข์คืออะไรทุกข์คืออุปาทานขันห้าคือรูปนามกายใจนี่เองคือตัวทุกข์การรู้ทุกข์นี่สําคัญมากถ้าเมื่อไร่รู้ทุกข์แจม่มแจ้งนะสมุทัยจะถูกละเอง ถ้าเมื่อไหร่สมุทัยถูกลา้านิโรธจะแจ้งขึ้นมาเองการรู้ทุกข์นั่นแหละ เ, ลเรียกว่าการเจริญอริยมรรคการรู้กายรู้ใจนั่นแหละเรียกว่าการเจริญมรรคอริยสัจนี้เป็นธรรมที่สําคัญที่สุดพระพุทธเจ้าถึงขนาดบอกว่าถ้าท่านไม่รู้แจ้งอริยสัจนะไม่ปฏิยาณตนเป็นพระพุทธเจ้าอริยสัจมีสี่มีวนรอบตา มีปริวัตรคือทั้งหมดนะมีสิบสองคือ 3, สี่คูณสามได้สิบสองสี่ก็คืออะไรทุกสมูทัยนิโรธมรคสมคืออะไรสมก็คือตัวสภาวะของมันเองทุกเป็นยังไงสมูทัยเป็นไงนิโรธเป็นไงมรคเป็นไงอันที่สองก็คือกิจต่อทุกเป็นยังไงกิจต่อสมูทยัยกิจต่อนิโรธกิจต่อมรคเป็นยังไงอันที่สามท่านได้ทํากิจทั้ง4ี่นี้เสร็จแล้วเรียกว่ามีครบสิบสอง ท่านถึงปฏิญานตนเป็นพระพุทธเจ้าอริยสัจนี่เป็นธรรมที่สําคัญที่สุดท่านบอกว่าผู้ใดไม่รู้แจ้งอริยสัจเนี่ยยังต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่พ้นจากสังสารวัฏอริยสัจลึกซึ้งแต่พวกเราเข้าไม่ถึงความลึกของอริยสัจขนาดพระนนท์เป็นทโศดับันนะวันหนึ่งยังไปทูลพระพุทธเจ้าเลยบอกพระองค์ผู้เจริญปฏิจจสมุปบาทร อ, อริยสัจนี่ ที่ว่าลึกซึ้งนั้นปรากฏแก่ข้าพระองค์เหมือนเป็นของตนื้นรู้สึกตื้นไม่รู้สึกลึกพระเจ้าต้องห้ามบอกอย่าพูดอย่างนั้นนะข้านอนท์ปฏิจจสุบาทหรืออริยสัจในลึกซึ้งที่สุดเพราะความไม่รู้อริยสัจไม่รูร้ปฏิจจสุบาทเนี่ยสัจถึงต้องเวียนตายเวียนเกิด อ, อริยสัจลึกมากนะอย่างพระพุทธเจ้าสอนมากขันห้าเป็นทุกข์กายกับใจเป็นทุกข์เราก็รู้สึกว่าเรารู้เรื่องรู้สึกไหมรู้เรื่อง จะถามจริงๆเหรอมีใครบ้างรู้สึกว่ากายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์ไม่มีหรอกเรารู้สึกได้แค่ว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกอย่างนี้ไหมขนาดรู้สึกอย่างนี้เรายังบอกว่าเรารู้อริยสัจเลยเราไม่รู้หรอกไม่มีคนรู้หรอกอริยสัจเรารู้มั๊ยมั๊คคือการเจริญสติไม่รู้มั๊กหรอกนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยคือนักเพ่ง เค่งเงาแค่เงอนั่งบังคับกายนั่งบังคับใจเอาคือนักทำอัตตาก ร, ริมัฐานุโยคเลยหนี่หาคนรู้ไม่ได้นะหายากที่สุดเลยที่จะรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจการรู้ทุกคือรู้กายรู้ใจตรงตามความเป็นจริงจะรู้ตรงความเป็นจริงได้อันแรกเลยต้องรู้อยู่ที่กายต้องรู้อยู่ที่ใจไม่ใช่ไปคิดเอาหลายคนลงมือปฏิบัติแล้วคลาดเคลื่อนไปจากการรู้ไปหลงอยู่ในโลกของความคิด ยกตัวอย่างนะสวมความโกรธเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นขณะจิตที่โกรธจิตมีโสกขณะที่รู้ว่าโกรธนั่นแหะคือขณะที่รู้หลังจากนั้นเราไม่ชอบความโกรธนะบางคนพุทโธพุทโธจะให้หายโกรธบางคนโกรธหนอโกรธหนอจะให้หายโกรธนี่จิตหลุดจากการรู้ไปอยู่ที่การคิดแล้วพลาดจากการรู้สภาวะแล้วจิตที่รู้กับจิตที่คิดเป็นคนละดวงกันจิตที่รู้นะไว้ทา วิปัสนาจิตที่คิดเอาไว้ทำสมถะคนละเรื่องกันบริกรรมไปเรื่อยๆได้สมถะนะเดี๋ยวก็รวมลงมาจิตรวมสงบหรือสงา่างูบๆวาาๆมี่เกิดปีติตอนี้ก็บรรลุธรรมไม่บรรลุหรอกคนละเรื่องเลยนะต้องค่อยๆฟังนะค่อยๆเรียนไปนจริงๆนักปฏิบัตินะหลวงพ่อไม่อยากให้ดูถูกปริยัตินะปริยัติของเรานี่สมบูรณ์มากเลยอศัศจรย์จริง หลวงพอรู้สึกนับถือพระปริยัตยินะพระปริยัตยิไม่ได้เห็นสภาวะแต่อุตสาห์ทรงจํารักษาสืบท อ, อดมาได้ถ้าเราปฏิบัติถูกต้องเข้าถึงปฏิเวทแล้วลองไปดูปริยัตยิสิจะรู้สึกขึ่งแต่ปริยัตยิชั้นเดิมนะปริยัตยิชั้นหลังเนะี่ยปริยัตยิปลอมๆเยอะนะนึกๆเอาเองแต่งๆเอาเองเยอะยๆถ้าปริยัตยิชั้นเดิมจะน่าขึ้นมากเลยอย่างคําว่าสติสตินี่คือความไม่เลื่อนลอย สติคือความระลึกได้คำแปลของสติคือความระลึกได้ระลึกถึงอะไรระลึกถึงกายถึงใจตัวเองได้ไม่ใช่ระลึกเรื่องอื่นนะระลึกเรื่องอื่นนี่เป็นสัญญาไปสติเป็นความระลึกรู้กายระลึกรู้ใจที่เป็นปัจจุบันได้สติมีความไม่เลื่อนลอยคือใจไม่ลอยไปไม่ลอยไปทางตาไม่ลอยไปทางหูไม่ลอยไปในโลกของความคิดสติรุ่นหลังกลายเป็นกาหนดไปแล้วกาหนดไม่ใช่สตินะ องธรรมของสติคือความระลึกได้คือความไม่เลื่อนลอยเหตุให้เกิดสติก็ไม่ได้เกิดจากการกําหนดเหตุให้เกิดสติคือการที่จิตจําสภาวะธรรมได้แม่นยําทําให้สติเกิดเนี่ในคัมภีร์ของเรามีหมดเลยนะสอนละเอียดยิบเลยสอนจนแบบดิ้นไม่ได้เลยสภาวะธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวมีคําอธิบายชัดเจนนะดักหน้าดักหลังถึงสี่แบบเลยสภาวะธรรมตัวหนึ่งจะดักได้ละสี่แบบ แย่งจิตเป็นธรรมชาติรู้จิตมีหน้าที่รู้จิตทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่เป็นประธานของธรรมะทั้งปวงจิตมีผลยังไงที่แสดงความมีอยู่ของจิตมันมีความมีผลคือความเกิดดับสืบต่อกันตลอดเวลาอะไรเป็นเหตุให้จิตเกิดรูปกับนามเป็นเหตุให้จิตเกิดดักหน้าดักหลังกังดินไม่ได้เลยนะสภาวธรรมแต่ละตัวนี้แม่นเปรียร้ยเปรียยนะ้ย สติคือการจำสภาวะธรรมได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติคือความระลึกได้มีลักษณะคือความไม่เลื่อนลอยใจไม่ลอยหนีไปสติทำหน้าที่อารักขาจิตไม่ให้ตกไปสู่ความชั่วเพราะฉนันทันทีที่สติเกิดอาภูสลต้องดับทันทีคำสอนของเราชัดเจนนะเราไม่ค่อยเรียนเราชอบเชื่ออาจารย์มากกว่าเชื่อธรรมะที่สืบทอดจากพระไตรปิฎก หลายคนพยายามกำหนดนะเพื่อให้สติเกิดยังเดินจงกรมยามกระแทกเท้าแรงๆกลัวขาดสติสติไม่ได้อยู่ที่ส้นเท้านะไปกระแทกมันก็ไม่เกิดหรอกสติอยู่ที่การจําสภาวะได้งั้นต้องหัดจําสภาวะจิตจะจําสภาวะรูปนามได้ถ้าจิตเคยเห็นรูปเห็นนามบ่อยๆนี่ว่าเห็นเนืองเนืองเห็นกายเนืองเนืองเห็นเวทนาเนือง เ, น, เ น, นืองเห็นจิตเนืองเนืองเห็นธรรมเนืองเนืองถึงจะจํากายเวทนาจิตธรรมได้แล้วสติเกิด การเห็นกายหนึ่งๆเรียกว่ากายญาณุปณัสสนาเห็นเวทนาหนึ่งๆเรียกวเวทนานุปัสสนาเห็นจิตหนึ่งๆเรียกจิตตานุปัสสนาก็คือการเจริญสติปัฏฐานนั่นเองดังั้นการเจริญปสติปัฏฐานไม่ใช่เรื่องอะไรที่พีลึกที่ล่นนะมันคือเรื่องการตามคอยรู้กายตามรู้ใจตามรู้ความเปลี่ยนแปลงในกายในใจรู้ไปเรื่อยๆไม่ใช่ไปนั่งเพ่งนั่งบังคับนั่งควบคุม เราลุนหลังๆแล้วไปบังคับกายบังคับใจนะความจริงเป็นมาปอดพระพุทธเจ้าอัตตากิขีณาฐานุโยคมีมากปอนพระพุทธเจ้าบังคับเอาบังคับเอาหวังว่าบังคับได้ที่แล้วจะบรรลุเราชอบวาดภาพว่าพระอรหรนะันต์เนี่ยคือคนที่สามารถบังคับจิตให้ดีถาวรได้ให้สุขถาวรได้ถ้าบังคับได้ก็เป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตาจิตเป็นอนัตตานะไม่มีใครบังคับได้หรอกจิตจิตเป็นของไม่เที่ยงนะจะสั่งให้ถาวรไม่ได้ ตนอยู่ไม่ได้เป็นทุกข์ตนอยู่ไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้เป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวสุขพระอราหันต์ไม่ใช่คนที่ดัดแปลงธรรมชาติธรรมดาได้แต่พระอราหันต์คือคนที่รู้ความจริงของธรรมชาติธรรมดาแล้วคล้อยตามสัจจะคล้อ ย, ย, ยตามความจริงนั้นมีสัจจานุโลมิขยานคล้อยตามสัจจะคล้อยตามความจริงขันห้าไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงแหละขันห้าเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์แหละขันห้าเป็นอนัตตาก็เป็นอนัตตาแหละ รู้ความจริงคล้อยตามความจริงแล้วไม่ยึดถือในกันห้าไม่ใช่พยายามทําให้เที่ยงพยายามให้เป็นสุขพยายามบังคับให้ได้พวกเรามีแต่พยายามจะให้เที่ยงให้เป็นสุขให้บังคับได้นะที่ลงมือปฏิบัติกันแทบเป็นแทบตายอยากบังคับกายบังคับใจให้มันมีความสุขสาวนั่นแหละอยากจะบังคับให้มันบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นแหละและทั้งที่ความจริงตัวมันบังคับไม่ได้คนที่เป็นท้ารหันได้เพราะว่าเขารู้ความจริงเขาคล้อยตามความจริงเขาไม่ต่อต้านความจริงต่างหา ร้อยตามความจริงกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นภูมิเป็นอนัตตารู้แล้วคืนให้โลกเข้าไปเพราะไม่ใช่ตัวเราการสลัดคืนเรียกว่าปฏินิสักขะการสลัดคืนคืนร่างกายให้เป็นสมบัติของโลกคืนจิตใจให้เป็นสมบัติของโลกพอพ้นจากตรงนี้นะหมดหมดภาระที่จะต้องแบกหามกายแบกหามจิตใจต่อไปละหมดการดิ้นรนหมดภาระมีอิสรภาพเกิดขึ้นจิตหลุดพ้นมีสรภาพนั่นเอง มันหลุดพ้นมันหมดภาระแล้วมันมีความสุขล้วนๆนเลยคราวนีย้ยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความสุขนะกลางวันกลางคืนมีแต่ความสุขเป็นความสุขเพราะว่าพ้นจากขันไม่ใช่ทําขันให้เป็นสุขพวกเราชอบทําขันให้เป็นสุขที่ปฏิบัติบังคับกายบางาังคับใจก็เพื่อจะให้ขันเป็นสุขนั่นแหละที่วิ่งตอบสนองกิเลสก็เพื่อจะให้ขันเป็นสุขแหละที่พยายามหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์ก็เพื่อให้ขันเป็นสุขนั่นแหละ ฟัหลวงพ่อรอบเดียวไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรนะหลวงพ่อไม่เก็บภาพฟังนะฟังหลายครั้งได้น้ำมันแพงก็รวมกันหลายหลายคนแล้วนั่งรถมาเตียนต้องนั่งคนเดียวก็ได้เฉลี่ยกันก็ถูกลงใครมาไม่ได้จริงๆหลวงพ่อก็แจกซีดีให้ไปฟังอีกเนี่ยโยเขาทาซีดีได้กี่แผ่นแล้วโยสิบเอ็ดเนาะซีดีหลวงพ่อนะฟัง ฟังแล้วฟังอีกได้นะหลวงพ่อกลาบพูดอย่างหนึ่งเลยว่าทีดีหลวงพ่อฟังแต่ละกสั้งนนะเข้าใจไม่เหมือนกันหรอกตอนนี้ฟังแล้วเข้าใจอย่างนี้นะไปตามรู้กายตามรู้ใจช่วงหนึ่งมาฟังใหม่เนยเข้าใจอีกอย่างห น, นึ่งยงฟังแล้วอย่าเพิ่งทิ้งนะฟังแล้วทิ้งไว้สักช่วงหนึ่งสองเดือนสามเดือนลองฟังอีกความรู้ความเข้าใจไม่เหมือนเดิมอันนี้สําหรับคนที่ปฏิบัตินะคนที่คอยรู้กายรู้ใจส่วนคนที่เพ่งเพ่งเอาฟังแล้วก็เหมือนเดิมคือไม่รู้เรื่องเหมือนเดิม ยาวแต่นั่งเพ่งเอานั่งคอยรู้กายนั่งคอยรู้ใจเองเรื่อยๆกายนี้ใจนี้เปลี่ยนแปลงทั้งวันคอยรู้เรื่อยๆส่วนหนังสือหลวงพ่ออาญญา่านยากก็เขียนเอาไว้สําหรับเป็นคู่มือทดสอบตัวเองเมื่อเข้าใจธรรมะแล้วฟังแล้วก็ลองไปสังเกตใจดูไม่ใช่ฟังให้รู้เรื่องนะไม่มีใครฟังธรรมะให้รู้เรื่องได้หรอกเพราะธรรมารู้เรื่องไม่ได้ด้วยการฟัง ฟังเพื่อให้รู้ทางปฏิบัติเทนั้นเองพระพุทธเจ้าท่านยังบอกท่านเป็นผู้บอกทางทางที่ท่านบอกคือโอปะนะยโกนะน้อมมาเรียนรู้กายรู้ใจตัวเองแล้วกายกับใจจะสอนธรรมะเราพอเราโอปะนะยิโกน้อมมารู้ตัวเองเกิดปัจจิตังเวทิตะโพวินยูหิตรู้ด้วยตัวเองแต่การรู้ด้วยตัวเองนี้ต้องทดสอบได้นะต้องตรงกับคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้ารู้ว่าจิตเชี่ยงนี่เพียงแน่นอนถ้ารู้จิว่าจิตสุขนี่เพียงแน่นอน ถ้ารู้ว่าจิตเป็นอัตตาเนี่ยเพี้ยนแน่นอนต้องสอดคล้องกับคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้ารู้ถูกนะถ้ารู้ไม่ถูกก็สอดคล้องกิเลสงั้นถ้าปฏิบัตินะลงมือปฏิบัติฟังก่อนให้รู้เรื่องนี่ก็คือการเรียนปริยัติพรู้วิธีปฏิบัติแล้วลงมือตามรู้กายตามรู้ใจตามความเป็นจริงตามรู้กายตามรู้ใจตามความเป็นจริงก็ต้องรู้ฝอนกายกระใจเป็นยังไง รู้ยังไงถึงจะรู้ตามความเป็นจริงเอาอะไรไปรู้นี่เอาสติไปรู้รู้ตรงความเป็นจริงก็ต้องเกิดปัญญาจะรู้ตรงความเป็นจริงได้จิตต้องตั้งมั่นมีสัมมาส ม, มาธนะิไปอ่านนะอยู่ในวิธีแห่งความรู้แจ้งนี่หนะือเล่มสองหรือในหนังสือทางเอกนะเขียนไว้เยอะค่อยๆฟังฟังก่อนค่อยๆสังเกตใจขณะฟังซีดีหลวงพ่อนะฟังแล้วสังเกตความรู้สึกของตัวเองไป ไม่ใช่ฟังให้รู้เรื่องนะไม่ต้องฟังให้รู้เรื่องฟังรับสังเกตไปเดี๋ยวก็จะเห็นเลยใจหนีไปอย่างเบอร์ยี่สิบเนี้ยใจหนีไปแล้วรู้สึกไหมใจมันหนีไปเน่ยฟังอย่างเนี้ยฟังแล้วคอสังเกตจากของจริงนะสังเกตไปเรื่อยไม่นานเนี้ยเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกแต่ถ้าฟังไปคิดไปหวังว่าจะคิดให้เข้าใจรับรองนะชาตินี้ไม่เข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อพูดหรอกก็ทำไมเข้าใจไม่ได้ด้วยการคิด คิดเอานะมันคิดตามสัญญาอารมณ์เก่าๆคิดตามข้อมูลเก่าๆมันแบกสิ่งเก่าๆออกมาไม่ได้สันติธรรมนี่ของใหม่ที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นถ้าไปคิดเอาก็คิดได้แต่แค่ของเก่าๆวนไปวนมากับของเก่าของเก่าที่คิดได้ไม่มีอะไรเกินไอความปรุงแต่งสามอย่างที่หลวงพ่อพูดนั่นหรอกหลวงพ่อไม่ได้พูดเองหลวงพ่อจำพระพุทธเจ้ามาพูด อวิชาเป็นปัใจจัยให้เกิดสังขารสังขารคือความปรุงแต่งสามอย่างนั่นเองเบอร์สิบสี่กำลังทำอะไรอยู่ไม่อึดอัดบ้างหรือพยายามปฏิบัติเนี่ยไม่อึดอัดหรือไงเห็นไหมเกิดโลภะก่อนอยากปฏิบัติเกิดการกระทำกรรมคือจงใจปฏิบัติเกิดวิบากอืดอัดเป็นทุกข์นะมีกิเลสมีกรรมมีวิบากเนี่ยไตรวัตทั้งหมดวัตตะมุนอยู่อย่างเนี้ย เพราะว่าเราไม่รู้ทุกนะสมูทัยถึงเกิดเราไม่รู้ธรรมะจริงๆสมูทัยคือความอยากก็เลยเกิดอยากปฏิบัติแท้จริงเพราะมีสมูทัยจึงเกิดทุกเพราะไม่รู้ทุกจึงเกิดสมูทยัยทุกกะสมูทัยยิงอาศัยซึ่งกันและการวัตตาข้อมูลเมียนอยู่ตรงนี้ก็มีสมูทัยจึงเกิดทุกเพราะไม่รู้ทุกจึงเกิดสมูทยัยนี่คือวัตตา ส่วนวิวัตตาก็คือทางที่จะออกจากความเมียนไหว้ใจเกิดเนี่ยเพราะรู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะจึงล้ะสมุทัยได้เพราะสมุทัยดับไม่เหลือนิโรธจึงแจ้งสารวัตขาดลงตรงนี้แล้วอยู่ที่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งขึ้นมารู้กายรู้ใจหลวงปู่ดูลบอกว่าจิตเห็นจิตแจ่มแจ้งตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์อยู่ในตัวขันตัวขันตัวสุดท้ายที่ยึดถือเหนยวแน่นที่สุดคือจิตนั่นนะแหละนั่นเลยเจาะลงไปตัวจิตเห็นจิต บางคนที่ว่าจิตเห็นมหาสุญญาตาแจมแจ้งถึงจะหลุดพ้นไม่ใช่นะนั่นเพี้ยนจากคำสอนอของพระพุทธเจ้าแนละ้วหลวงปู่ดูลก็ไม่ได้สอนว่าจิตเห็นมหาสุญญาตาแล้วหลุดพนะ้นเราจิตเห็นจิตอย่างแจมแ จ, มแจ้งเป็นมรรคเลยครับนี่เรียนธรรมะนะมันพร้อมจะเพี้ยนเสมอเลยหลวงปู่มั่นถึงบอกว่าธรรมะไปอยู่ในจิตปุถุชนแล้วเป็นสัตว์รมปฏิรูปอัตโนมัตนะิเหมือเพียนะเพยเ้ยนอ่ะเพี้ยนตามกิเลสไปต้องค่อยค่ศึกษานะพักเพียนอดทนหลวงพ่อไม่เก็บค่าเรียนนะ หลวพ่อเรียกร้องอย่างเดียวอดทนไหมทนไหมฟังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรปกติก็ฟังสองครั้งสามครั้งถึงจะรู้เรื่องคนที่ฟังครั้งเดียวรู้เรื่องมีเหมือนกันแต่น้อยแต่ถ้าคนไหนคิดมากเปรียบเทียบกับของเก่าไปเรื่อยนะไม่รู้เรื่องหรอกทำใจให้เป็นถ้วยน้ำชาที่ว่างเปล่าลองฟังด้วยใจที่ว่างเปล่าดูลองฟังสิ่งใหม่ๆดูแล้วจะเข้าใจอย่างง่ายดายเลยเราจะรู้เลยว่าเราไปติดขัดอยู่ที่ไหน ทำไมทำหลายปีแล้วมันไม่บรรลุมรรคผลนิพพานจริงๆทำไมทำหลายปีแล้วนึกว่าได้พระอรหันต์ไปหลายรอบแล้วมันกิเลสเกิดขึ้นมาได้เรื่อยๆต้องทบทวนนะเดี๋ยวเราหยุดพักก่อน